มรณาสติไม่ใช่แค่จินตนาการว่าจะตายแต่หมายถึงการสารวจว่ามีคุณสมบัติของผู้พร้อมจะตายดีแค่ไหนด้วยคนที่พร้อมจากไปดีต้องมีสองพลังที่ช่วยให้เกิดความอุ่นใจถ้าขาดพลังใดพลังหนึ่งจะไม่มีทางแน่ใจด้วยตัวเองเลยพลังแรกคือกรรมดีที่สะสมสม่ำเสมอ มีน้ำใจให้เปล่าอ้ามใจไม่เอาบาปได้ทุกวันเรียกว่าเป็นกุศลอาจิณกรรมที่เอาชีวิตทั้งชีวิตสะสมอย่างไรก็ตามมีอยู่ประเภทดีแสนดีแต่ใจอ่อนแอปวกเปียขี้น้อยใจในหัวเต็มไปด้วยความขัดใจผู้คนรอบข้างหรือต้องฝืนทำงานที่ไม่ชอบเป็นนิดจนจิตไม่ค่อยจะตั้งมั่นอยู่กับอะไรได้นาน หรือมากลัดกลุ่มห่วงข้างหลังหวังข้างหน้าหาปัจจุบันให้ตัวเองไม่ค่อยเจอความฟุ้งซ่านสัดสายความโคลงเคลงง่ายของจิตจะทำให้คุณรู้สึกไม่มั่นใจในคุณงามความดีแม้ปากบอกว่าเชื่อมัน่นแต่ลึกๆแอบหวั่นไหวอยู่ว่าเมื่อถึงเวลาเอาจริงต้องสอบไล่ขึ้นมาจะผ่านหรือไม่ผ่านหลุดจากชีวิตนี้จะรอดไปถึงไหนแน่ เพราะการสอบไล่ชนิดนั้นมีโอกาสหนเดียวไม่มีการแก้ตัวใดๆถ้าตั้งจิตเป็นกุศลในเวลาเข้าได้เข้าเข็มไม่ได้ก็มีรู้จะออกหัวออกก้อยได้หมูหรือได้จ่าฉะนั้นจึงจำเป็นต้องมีพลังที่สองมาสนับสนุนให้เกิดความรู้สึกอุ่นใจร้อยเปอร์เซ็นตได้แก่กาลังจิตที่มัน่นคงหรือที่เรียกกันง่ายๆว่ามีใจเป็นสมาธินั่นเอง ใจที่เป็นสมาธิมีความตั้งมั่นจะให้ความรู้สึกดีรู้สึกตรงคงเส้นคงวาและมีสัญชาตญาณทางจิตบอกตัวเองโดยไม่ต้องแกล้งหลอกตัวเองเลยว่าจิตแบบนี้ของเราไม่มีทางไปร้ายต่อให้ตายร้ายมีสภาพศพหน้าอเนจอนาดก็จะยังคงมีสภาพจิตหน้าพิรมอยู่ดีมรณสติ ไม่ใช่แค่จินตนาการว่าจะตายแต่หมายถึงการสำรวจเข้ามาว่ามีคุณสมบัติของผู้พร้อมจะตายดีแค่ไหนด้วย